เล่นกีฬาเป็นกุศลหรืออกุศลถามการเล่นกีฬาที่ต้องแบ่งข้างมีแพ้มีชนะกันจะเป็นกุศลหรืออกุศลหากเป็นอกุศลก็ไม่แปลว่าทั้งโลกเป็นคนบาปกันหมดหรอครับในเมื่อการกีฬาอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดอย่างไรก็ขาดกีฬาและการแข่งขันไม่ได้แน่ๆ ตอบกีฬาเป็นตัวแปรเสมากกว่าครับถ้าใจคุณดีก่อนเล่นกีฬาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกีฬาดีๆกีฬาดีๆทำให้ร่างกายนักกีฬาแข็งแรงแถมยังทำให้จิตใจนักกีฬามีคุณภาพขึ้นด้วยโดยนิยามของผ ม, ผมการเล่นกีฬาคือการออกกำลังที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่มุ่งที่ผลแพ้ชนะผลแพ้ชนะอาจเป็นตัวล่อ แต่สิ่งที่ต้องการกันจริงๆคือสุขภาพพลานมามัยสมบูรณ์เกื้อกูลให้จิตใจตั้งมั่นง่ายมีขันติสูงและที่สำคัญคือตื่นตัวสดใสไม่หดหู่ง่วงงุนลักษณะเหล่านี้ของจิตล้วนเป็นฝ่ายกุศลทั้งสิน้นมองจิตเป็นดวงดวงคุณจะเห็นความสำคัญของจิตที่หนักแน่นแข็งกแกร่ง คือเมื่อเผชิญภัยคุณจะไม่ตระหนกตกตื่นเกินไปหรือเมื่อเผชิญสถานการณ์ยั่วให้ทำผิดคิดร้ายตราบใดที่คุณอยากสู้กับกิเลสจริงๆก็จะไม่หลงกระโจนหรือไหลตามสถานการณ์ไปง่ายๆและในทางกลับกันเมื่อตั้งใจบาเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดีคุณจะไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอไม่ถอนเท้าเสียก่อนจะไปให้ถึงเส้นชัย ไม่ต่างจากในสนามแข่งอย่างไรก็ตามครับนักกีฬาแต่ละคนเลงเป้าหมายต่างกันถ้าก่อนเล่นมีใจกระเยี้ยนกระหือหรืออยากเอาชนะท่าเดียวและขณะเล่นทำทุกวิถีทางโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องแถมหลังเล่นจบยังเป็นผู้ชนะที่เหยียบย่าซ้าเติมหรือเป็นผู้แพ้ประเภทอันาพานชวนตี เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองคืออกุศลลจิตการเล่นกีฬาของเขาย่อมดำเนินไปด้วยอกุศลและได้ผลลัพธ์เป็นอกุศลสรุปคือถ้าเล่นกีฬาโดยเล่งกันที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตอันนั้นเป็นกุศลแต่ถ้าเล่นโดยเล่งกันที่ผลแพ้ชนะอันนั้นกระเดียดมาทางอากุศล และถ้าเล่นกีฬาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่มีใจเป็นนักกีฬาอันนั้นเรียกว่าอากุศลเต็มขั้นเป็นบาปไปเต็มๆครับ